ธรรมาชาดกแผ่นที่เก้าลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19เมษายน2556มีชื่อเรื่องว่านักเลงสกากินยาพิษวันนี้ออกบินทบาท เช้าไปสักหน่อยนะ่ะคณศรัตยาญาติโยมลูกหลานเพราะว่าเราต้องไปตามดวงอาทิตย์แต่ก่อนเราต้องเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทีปเพลือเจ็ดโมงครึ่งไปบินทบาทเพราะเหตุไรเพราะว่ากลางวันน้อยกลางคืนมากแต่เดี๋ยวนี้มันกลางคืนน้อยแหละกลางวันมาก เดี๋นี้ออกบิณธบาตวันก่อนออกบิณธบาตรหกโมงสี่สิบห้าแต่วันนี้ขยับลงมาแต่ขยับเร็วไปสักหน่อยนะเป็นหกโมงครึ่งวันนี้ออกบินธบาตเห็นว่าพี่น้องลูกหลานสัตย า, ญญาติโยมชาวบ้านกระใสาบาดไม่ทันตั้งหลายคนในวันนี้ว <c oughs> ิ่งกันทพัดทะพื้นห่างกันสิบห้านาที <c oughs> แต่ดูเวลาไปบินธบาต พอไปถึงที่จะรับบาทแล้วก็มองดูพระอาทิตย์มันสูงโ ด, โดเดโอไม่ได้ถ้าอากาศวันไหนมันร้อนไม่ไหวอากาศมันร้อนเกินไปต้องขยับลงไปอีกต่อไปอาจจะเป็นหกโมงก็ได้นะปินทบาทเราต้องดูนาฬิกาก่อนอวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหก วันพรุ่งนี้กลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษามหิดนจะได้ลาศิกษาวันที่20แลวก็วันที่21กลุ่มที่บอกว่า7สถาบันกลุ่มใหญ่ทั้งหมดมีนาคอยู่31จะบวชวันที่21เชา้าคงจะ นักศึกษามหโดนลาสิกาพวกกลุ่มใหญ่ก็จะได้บวชต่อไปอีกหนึ่งเดือนคงจะลาสิกาช่วงเดือนพฤษภานะแล้วก็พวกเราทั้งหลายที่เห็นเต็นที่กลางอยู่เนี่ยก็คงเป็นวันที่27เป็นวันเกิดของหลวงพ่อแต่ตามหลวงพ่อตามไม่จริงหลวงพ่อ ก็ยังหลวงพ่อเคยพูดทุกปีทุกครั้งว่าหลวงพ่อไม่ได้จัดงานแต่งานมันมาจัดหลวงพ่อทำไมจะว่างานมันมาจัดเพราะหลวงพ่อไม่ได้นิมนต์ดีกาไม่ได้เชิดเชิญจัดทายาทโยมลูกหลานแต่ก็ใครๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักมักคุ้นรู้จักเออวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อ เขาถือตามประเพณีของบ้านเมืองถ้าว่าเป็นวันเกิดวัยวุฒิคุณวุฒิที่พวกเรารู้จักมักคุ้นเคารพนับถือก็มาโดยที่ไม่ได้เชิญบอกกล่าวนี่ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละพอหลวงพ่อเองไม่ได้นิมนต์ไม่ได้มีดีกานิมนต์พระสงฆ์เพราะถือว่าเป็นวันเกิดของเราเราเกิดขึ้นมาแล้วกับปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่ง เราก็ไม่เห็นถือว่าสำคัญอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแหละข้อสำคัญก็คือเราต้องทำคุณงามความดีต้องสร้างคุณงามความดีต้องเป็นคนดีต้องคิดดีทำดีพูดดีอันนั้นจุดสำคัญถ้าจะเป็นวันเกิดวันไหนก็เถอะถึงจะเป็นวันดีขนาดไหนก็เถอะอ่แต่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วก็ช่วยวันยังค่เพราะนั้นหลวงพ่อเองเลยไม่ถือ แต่คณะสัตยาติโยมลูกหลานหลังไหลมาเมื่อหลังไหลมาเราจะทำยังไงเราจะไม่ตอนรับขับสู้เรลยมันก็ไม่ได้พวกกลุ่มที่ตอนรับขับสู้อีกชวนหนึ่งที่มาตั้งโรงทานแสดงความจำนงแต่พระเนในวัดของเราคณะสัตธาติโยมลูกหลานที่อยู่ในวัดใกล้ชิดเราจะเมินเฉยก็ไม่ใช่เหลืองอีกเหมือนกัน ก็จะต้องต้อนรับขับสู้หลวงพ่อเองเป็นเจ้าของบัดเป็นเจ้าของวัดเจ้าของเหตุการณ์จะเมินเฉยก็ไม่ได้อีกหลวงพ่อก็จะต้องอยินดีต้อนรับครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อก็จะต้องถ้าพูดแบบทางโลกแอนอกลับป้องกันเถอะอ้าวมา เพียงวันเดียววันสองวันยุ่งยากวันสองวันเป็นไรไปก็ไม่ได้ทั้งวีดทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีอะไรเพียงแต่วันสองวันพี่น้องลกูกหลานมาแสดงความยินดีเอามาแต่ตาไม่จริงหลวงพอ่อคือคิดในใจของหลวงพ่อลึกๆไม่เหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ได้อายุาได้จริงอยู่แต่มันเสียมันเสียอายุไป เหมือนกับอายุของหลวงพ่อเนี่ยอายุ80อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเสียไปเท่าไหร่เสียไป68ปีใช่แล้วยังไปดีใจเหรออายุเสียไปทั้ง68ปีมันน่าจะเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเออชีวิตของเราอีกไม่นานแล้ว น, นั่นเองอีก20ปีเท่านั้นแ่ะเดี๋ยวก็จากแล้วนะเนี่ยเราพร้อมหรือยังนี่แหละ พวกลูกหลานคณะสัธธาญาติโยมทุกคนควรจะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อนี่คิดอย่างนั้นสัทธาญาติโยมควรจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าได้อายุมากแล้วก็ดีอกดีใจเหมือนกับได้เงินมากๆอย่างนั้นได้เงินได้ทองได้สิ่งของเป็นที่พอใจมากๆหรือหัวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันแต่ได้อายุมากไม่ใช่เป็นอย่างนั้นะ จ, จะไปยิ้มทั้งวันได้ยังไง ก็จูงเข้าหลักประหารเข้าไปเรื่อยๆอจูงเข้าไปหลักประหารเรื่อยๆเดือนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าที่สลายเก้าที่แปดสิบก็ใช่แล้วยิงเป้าแล้วพยามัจจุราชหรือตัดคอแล้วพวกเราจะดีใจเหรอต้องคิดดูให้ดีสิที่หลวงพ่อพูดอถ้าจะว่าไปหลวงพ่อพูดย้อนยุกนะ ให้ okay. ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดถ้าพวกไม่มีใครพูดเลยพวกเราก็จงหัวเราะทั้งวันพอถึงวันเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวกินเหล้าเมายาเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาเลี้ยงอะไรต่อมีอะไรเลี้ยงโต๊ะเลี้ยงสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาตัวเองก็ยิ้มดีอกดีใจว่าจะของได้อายุมันไม่ใช่เหมือนได้เงินนะได้อายุนะมันเสียอายุไปมากเท่าไหร่ เสียงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีจึงจะถูกเออชีวิตของเรามากแล้วเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปแต่ก่อนใช่เราสะแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานเพื่อจะให้เป็นฟังเป็นฝาแต่บัด น, นี้อายุถึงขนาดนี้แล้วลูกหลานของเราก็ใหญ่หมดแล้ว ก็น่าจะมอบหน้าที่การงานให้ลกูกให้หลานเขาเอาสู้สู้ต่อไป เ, อเรื่องจะทุกข์จะจนนั้นจะสุดแท้แต่บุญวานสนาบารมีสติปัญญาความสามารถของส่เจ้าเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้แล้วให้ความรู้แก่ลูกศิษย์แล้วสติปัญญาไหน เ, เราไม่มี กำมืออยู่ในอาจารย์มอบให้ทุกอย่างที่อยากจะให้ลูกศิษย์มีสติมีปัญญามีความสามารถมีความรอบคอบสอนให้ทุกอย่างแต่พวกท่านทั้งหลายนำเอาไปใช้ดูสิถ้าหาว่านำเอาไปใช้แล้วใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่สุดความสามารถอย่างที่อาจารย์มอบให้แต่มันก็ไม่ไปไม่มาก็แสดงว่าบุญบรารมี บุญเก่าของพวกท่านทั้งหลายทํามาไม่ดีฮะอชาติก่อนพบก่อนชาติก่อนเกิดมาแล้วก็ขี้เกียจทําบุญทําทานเห็นเขาทําบุญทําทานแล้วก็ทําทานดูถูกเหยียดหยามเขาอีกต่างหากทําให้โง่ทําไมอของตัวเองแท้ๆทําไมโง่นักฮะเวลาเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเกิดมาทมาํามาค้าขายทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกิน เพราะเอตเพราะอนใสงสานไม่มีคนไม่มีอันใสงสานเป็นอย่างนั้นล่ะทำทำอะไรกุดกุดด้วนด่วนทั้งที่มันจะเจริญขันยนันกขยนันวาทะก็เก่งสติปัญญาก็เสียบแหลมเป็นดอกเตอร์แต่ทรัพย์สมบัติเอาตัวไม่รอดก็มีมากต่อมากเพราะเหตุใดเพราะว่าบุญบา ร, รมีมันมองไม่เห็น แต่บางคนจบเพียงป .4 หรือไม่จบอะไรเลยเก็ประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มากต่อมาก เ, าเศรษฐีเมืองไทยของเราดูซิประวัติของท่าน อ, าอย่างสินโสมพลพาเน็ตกะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างยุคคุณโยมฉเฉลียวก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านมาในกองเงินกองทองท่านเป็นเศรษฐี สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ไม่ใช่บุญวัดสนาบาลและมีแล้วเราจะเรียกว่าอะไรเพราะนั้นคนเรานี่ต้องสั่งสมบุญกุศล น, นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่วันที่ยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อได้อายุหลวงพ่อจะหัวเราะทั้งวันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะนะั่นแหละได้อายุมาก ร่างกายของเราต่างกายของรุงพ่อเนียุดโสมลงไปเรื่อยๆจะไปที่ไหนทุกวันนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าการไปของเราเนี่ยจะเป็นเดือดร้อนคนอื่นไหมถา้าไปแล้วก็้าไปก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระของคนอื่นลุกสิทธิ์ลุกหาเขาก็จะบอกโอ้งพออินนี่ทำไมโง่นัก ต่ตัวเองสุขภาพไม่ดีขนาดนี้ก็ยังด้นด้านมาทำไมนี่แหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสูงอายุขึ้นมาเราก็ต้องได้คิดหมดทุกอย่างจะไปจะมาที่ไหนจะเดินไปที่ไหนจะอยู่จะชั้นอย่างไรคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นอย่างลงพ่อก็เหมือนกันดูถ้าชันหยกชั้นยาอย่างนี้ไม่ใช่ความสมัครใจแต่มาพิจารณาดูแล้วถ้าเขาบอก แไขมันในเม็ดเลือดของท่านสูงนะไตรกลายสูงนะคอเรสเตอรอลสูงนะเราก็ต้องฉันยาตามปฏิบัติตามหมอเขาสั่งบอกเขาบอกเพราะเขาตรวจดูแล้วว่าเลือดของเราเข้มข้นอุด ต, ตันพร้อมที่จะอุด ต, ตันเส้นเลือดแตกในสมอง เ, เมื่อเส้นเลือดแตกในสมองก็เป็นเอามาพลึกอมัมาตาดถ้ามากกว่านั้นก็เป็นอัมาพาดเป็นภาระของใครไม่ใช่ภาระของตัวเองเพราะฉะนั้น เราจะไปเห็นแก่อยู่แก่ฉันมากก็ไม่ได้เราก็ต้องดูปฏิบัติฉั้นดูกชั้นยาตามที่เขาแนะนำเพื่อมาให้เป็นภาระของคนอื่นเขาสิ่งเหล่านี้ผู้สูงอายุต้องได้คิดนะถ้ามันตายปอกไปทีเดียวไม่มีปัญหาเพราะเราเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วพร้อมที่จะตายอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดูตัวเอง เป็นภาระของรูกของหลานหามไปนู้นหามไปนี่หามเเขาห อ, อห้องน้ำของน้ำดูดูแล้วก็มันหน้าคิดเหมือนกันอันนี้คือเราต้องมองดูที่ผู้ใหญ่ที่เราได้เห็นแต่ท่านก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่บางท่านบางท่านก็รักษาดีอยู่แต่กรรมกรรมเก่าให้ผลเพราะท่านจะจากไปนี่กกรรมเก่าเคยทุเคยตี เคยเบียดเบียนสัตว์มาก่อนเคยตีหัวตีหลังของสัตว์มาก่อนผลที่สุดบาปกรรมตัว น, นั้นเข้ามาเล่นงานเราเราก็เลยมาทุบพลภาพเมื่ออายุแก่เราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะหลักของพุทธศาสนาอย่างที่บอบุญกุศลถ้าเราไม่ได้ทำมาไว้เราทำมาค้าขายมันก็ไม่ขึ้นไม่เกิน แต่ถ้าว่าเราทำมาค้าขายเราทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลพบนี้ชาตินี้บุญกุศลก็นำส่งทำจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด ท, ทั้งที่ที่ตรงนี้ราคาไม่มีใครสนใจพอเราไปจับเข้าไปซื้อเข้าไปไม่นานพ่อค้านายทุนก็นสนใจที่ตรงนั้นขายออกไปเลยได้กำไร เกินขึ่น้นนี่แนหะคนที่จะรวยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าคนที่จะจนแล้วซื้อเข้าไปแล้วก็เอเก็บดอกเบีย้ยกินผลที่สุดก็เลยดอกกินหมดอเผอผลอๆจะเป็นเจ๊งอีกเพราะดินแปลงนั้นอีกต่างหากเพราเหตุไรจริงเหล่านี้เรามองไม่เห็นแต่ทางว่าพระอริยะผู้ที่มีญ า, าณทัศนะท่านมองเห็น เออคนนี้ไม่มีบุญฮะไม่ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้คนที่มีบุญทำอะไรมันไปได้ทั้งนั้นแหละอย่างบุญกุศลมันเป็นพลรรังทางด้านจิตใจเพราะนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่าประมาทปุญญาณิปัลโล ก, กัสมิงปัิถิธาหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าฮะ นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาโลกนี้โลกหนาการสร้างคุณงามความดีทั้งเดี๋ยวนี้ทั้งวันพรุ่งนี้ถ้าเราทําความชั่ววันนี้วันพรุ่งนี้ก็มืดบอดถ้าไม่เชื่อก็ทดลองเลยปลุกปรับนขึ้นมาเอามีดไปฟันหัว่อาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้มืดบอดเลยล่ะเจนี่ติดคุกติดตารางไปลู้กี่ปีเขาจะตัดสินนี่แหละทําความชั่ว ข, ขึ้นมาแล้วก็ความ ความชั่วจะให้ผลตามสนองต่อไปเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันการเป็นอยู่ทุกเรียบทพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาให้การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่การฉันการคลองผ้าการใช้เสนาสนะการฉันยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ พระพุทธเจ้าท่านสอนหมดสำหรับพระใหม่พระไม่ใช่พระใหม่พระเก่าพระทุกองค์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาต้องให้มีการพิจารณาซะก่อนจึงบริโภคปัจใจสี่พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจัจสี่อย่าบริโภคด้วยตัณหาด้วยความอยากพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแต่นี่ท่านปารพิกษุการอยู่การฉันบริโภคปัจัจสี่ด้วยความประมาทพอตายไปแล้วไปตกนรกไปเป็นสัตว์ิระฉานไปเป็นเปรตพระตายตกนรกก็มีนะไม่ไมใช่ธรรมดาลูกหลานนะพระตกนรกนง่ายเพราะเหตุไร พอเราเป็นพระแล้วฉันของชาวบ้านเราไม่ได้ซื้อได้หาเขาให้ด้วยศรัทธาพอให้ด้วยศรัทธาสเสร็จแล้วเดี๋ยเราไปบริโภคโดยไม่คิดไม่อ่านไม่มีศีลจากนั้นเราไม่ได้พิจารณาซะก่อนจึงบริโภคตายไปแล้วตกนรกเป็นพระคำพังเพยของชาวเชียงใหม่เขาบอกว่าพระเนี่ยเหมือนเราขึ้นรถวัด รถบัสหรือรถรถบัสรถทัวร์เนี่ยมือหนึ่งเกาะประตูมือหนึ่งเหยียบเหยียบปากถังน้ําลักษณะอย่างนั้นถังน้ํามันคือนรกนะเหยียบปากนารกแต่ถ้าว่าเราทำดีเนี่เกาะประตูรถทัวร์หนึ่งกระโดดเข้าไปในรถทัวร์ได้เลยแต่ถ้าว่ามือของเราหลุดประตูรถทัวร์ มือเกาะเนี่แปลว่าหงายหลังลงนรกเลยให้เพราะเหตุไรเพราะเราบวชอยู่ในตรงกลางตรงนี้น่ะไม่ใช่ของสนุกสนานนะพร้อมที่จะตกนรกพร้อมที่จะไปสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนโบราณเขาจึงให้ลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเทันยิ่งยกเป็นเรื่องราวขึ้นมาพระในครั้งพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เห็นว่าพระสงฆ์ตกนรกมากเพราะเหตุไดเพราะบริโภคปัจจัยไม่พิจารณาก่อนเพราะนั้นท่านจึงให้ตั้งเป็นบทพระบาลีขึ้นว่าปฏิสังขายโิโสบินดาปาตังปฏิเสวามิเนวะทาวายะธมะทายะหรืออัจฉมยาอาปจจเวกคิตวายังจีวรังปริภูตังที่พวกเราสวดก่อนที่บริโภคปัจจัยสีต้องพิจารณาซะก่อน เ, อ <า S 1> เรา นุ่งห่มผ้าจีวรเพื่อไมไ่ให้เสร็จสวยงดงามเราคล้องผ้าขึ้นมาเพื่อให้เป็นปริมนทน เ, เพื่อการเหลือบกันยุงกันร้อนกันหนาว เ, าเพื่อปิดปกปิดร่างกายอวัยวะของเราไม่ให้ดูหน้าหาเกลียดเราไม่ได้ทำให้เสร็จสวยงดงามถึงจะคของผ้าก็เถอะ ร่างกายนี่เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายในที่สุดอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ก่อนบริโภคผ้าจีวบอนจากนั้นของบริโภคอาหารข้าไปเจ้าทานอาหารอย่างหลงพ่อเพะจัดอาหารเสร็จแล้พอพิจารณาหลวงพ่อหลวงปู่ร า, าดที่ว่าธาตุเพิ่มธาตุถึงจะเพิ่มขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายก็ตามเรามาอยู่ เราเพียงแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยต้นไม้รดน้ําต้นไม้ให้มันอยู่ได้เท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหา ร, รอริดอร่อยขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ผลที่สุดก็นึ่งที่สุดของชีวิตเพราะนั้นเราบริโภคปัจจัยสี่เราทานอาหารเพียงเพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้ได้ประพฤติผมมาจันท์ให้ได้บําเพ็ญ บุญกุศลเข้าสู่จิตใจอันนี้ก็คือการพิจารณาปัจจัย4่ข้อที่สเราอยู่เสนาสะนะถึงจะรู้หละโออากันแดดกันฝนได้อย่างศาลาหลังนี้แต่ร่างกายของเราก็แก่ เ, เจ็บตายก็คอยเราอยู่เพราะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เห็นว่าร่างกายนียถึงจะ ร่างอยู่ในที่โออารลโหฐานขนาดไหนก็เถอะโอ ล, ลาดูร่าออาร์สวยงามขนาดไหนก็เถอะแต่เราเข้าไปอยู่แล้วก็แก่เจ็บตายก็คอยเราอยู่อันนี้ก็คือเราต้องพิจารณาจากนั้นก็เมื่อเราฉันยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเราก็พิจารณาอีกว่าร่างกายสังขารถึงจะให้ยาดีขนาดไหน ยามาจากต่างประเทศยาดีที่สุดขนาดไหนก็ไม่มีใครเจ้าของบริษัทยาเนี่ยที่ว่าดีที่สุดก็ตายไปโลกมีโลกอีรุ่นกี่เรากี่คนมาแล้วแต่เราจะอยู่ได้อย่างไรอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงจุดจบถึงจะรักษากับเพียงแต่ว่ายายาเหมือนกับสิ่งที่มันรั่วกระป๋องมันรั่วสิ่งที่มันรั่วเราก็ใช้กาวอีพ็อกซี่ปิดเอาไว้ใช้กาวอุดเอาไว้ ه, เพื่อมาให้มันรั่วนี่ก็เหมือนกันตรงไหนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ใช้ยารักษาร่างกายของเรานี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้เสียก่อนจึงบริโภคปัจจใจสี่ผ้าผู้ใดบพิจารณาอย่างนี้แล้วบริโภคปัจใจสี่อันนั้นแปลว่าไม่เป็นบาป ก, กรรมไม่ตกนรกอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุสงฆ์ท่านบอกว่า ในอดีตเราก็เคย เ, เป็นนักเรงสกาเนะี่ยเล่นลูกสกานะอแล้วก็เพื่อนของเราเนะี่ยเป็นมาเล่นด้วยกันอแล้วก็ผลที่สุดเนะ่ยถ้าผู้ใดทานโดยที่ไม่ได้พิจารณาเหมือนกับทานยาพิษอมยาพิษทานยาพิษเข้าไปในท้องแล้วจะเป็นพิษภยัยแล้วจะตกนรก อเป็นบาปกรรมพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็สมัยไหนพระพุทธเจ้าข่าที่พระองค์เป็นนักเลงสกาดหลงบอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นนักเลงสกาแล้วก็มีนักเลงสกาโกงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันถ้าหากว่าเขามาเล่นโดยกันถ้าเขาได้ทีได้เปรียบเขาก็ชวนเล่นจนทรัพย์สมบัติของเร า, เ, าเสียหาย พราะอะไรเพรเขาได้ทีแต่พอวันไหนเขาเสียเปรียบเขาเสียเปียบเราเขาก็าพยายามเกินซ่อนไปลบอมลูกศรกาแล้วก็เกินลูกศรกาเลยก็ลูกศรกาไม่ครบไม่รู้หายไปไหนผลที่สุดก็เลิกลากันอทั้งเพื่อเนเลยก็อันนี้มันโกหกเนี่ยมันหลอกเนี่ยวะมันเกินลูกศรกาเอาเถอะ แต่ข้าจะเอาลูกสกาไปแช่น้ําไปแช่ยาพิษนะ่ะก็เลยเอาลูกสกาเนี่ยไปแช่อย่างพิษอย่างร้ายแรงนะแช่อยู่ทักสามวันนะไปไหว้ยาพิษซึมซับเข้าไปในลูกสกานะเน่ยเจ้านี่นก็เอาไปเล่นกันนะชวนไปเล่ น, นพอเล่นเสร็จแล้วไอ้นั่นมันเสียเปรียบกนะมันก็เกืนลูกสกาเข้าไปในท้องพอเกืนลูกสกาเข้าไปเพื่อนก็ยังเกจตนานดีอยู่เลย เ, เพื่อนมันลูกสกามันหายไปไหนเนี่ถ้าใครเขาตามแนละ้วมันไม่มีกี่คนเนะี่ยอยู่ด้วยกันเนะ่ยถ้าใครคืนลูกสกาเนะี่ยระวังให้ดีกันแล้วกันนะลูกสกาเนะี่ผมข่าพรเจ้าอาบด้วยยาพิษนะจะไปกืนนะไม่ใช่เอาไปกืนไม่ใช่กืนให้กินนะเอามาเล่นกันนะถ้าใครกืนก็เถอะนะเดี๋ยววันนี้จะเห็นผลแล้วมันออพอว่าเท่านั้นนะเองเอออีกไม่นานกับตาลีตะเลือกขึ้นมาท่นีง พอมันแพ้ยาพิษเพื่อนนี่ก็เตรียมพวกยาแก้โรคแก้ไปไว้ให้อยู่แล้วก็เลยซ้ำลอกกอกเข้าปากให้ซ้ำลอกออกมาก็ลอดตายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ที่กินยาพิษมันเมื่อมันทำผิดกินยาพิษมันเป็นโทษอย่างนั้นแต่พระในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้ากินของอาหารที่ไม่ได้พิจารณาก่อนบริโภคปัจใจสีเหมือนกับ ก, กินยาพิษเข้าไปในท้องเพราะฉนั้นท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการบริโภคโดยไม่พิจารณาเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนท่านสอนพระท่านก็นสอนอีกแบบหนึ่งให้รบอบครอบท่านก็นสอนโยมก็สอนอีกเหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันก่อนที่จะบริโภคก็ต้องพิจารณาซะก่อนจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้อง อันไหนที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยเมื่อเราสูงอายุขึ้นมาเราจะทานอันไหนอันไหนต้องคิดต้องดอูไม่ใช่ว่าหมอเ้าห้ามอะไรก็ยิ่งอยากกินมันก็ไม่ได้น ะ, ะต้องดเอูเพราะว่าจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเนี่ยแหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนหลายระดับนะ คณะจต่าญาติโยมลูกหลานผ้านเนนทุกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพวกเราที่จะเป็นนักพรตนักบวชต่อไปภายภาคนาก่อนที่จะทานอาหารเราก็ต้องพิจารณาเะก่อนเออเราไม่ได้ทานเพื่อจะให้ร่างกายเนี่แข็งแรงเป็นนักชกนักมวยไม่ใช่อย่างงั้นอ่าเป็นนักปั้มนักมวยอย่างนั้นไม่ใช่เราทานอาหารเพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้ได้บับเพน บำเพ็ญสมณะธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามแนวเริยประเพณีของพระพุทธเจ้าเราต้องคิดอย่างนั้นเวลาบริโภคอาหารนะต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร